การมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมะบางครั้งมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันทั้งบฟังคือหมายความว่าเราจะใช้ชีวิตของเราให้ทุกๆด้านทุกๆแง่ทุกๆมุมและมีธรรมะอยู่ในใจปฏิบัติตามมารกเดินตามเส้นทางที่พระเจ้าพาดาเนินไปเนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการฝึกฝนอาศัยการความชนานาญในการที่จะทาให้ให้มันเกิดให้มีขึ้น นั่นคือการที่เราจะต้องมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมการที่เราบอกว่าปฏิบัติธรรมะปฏิบัติธรรมะนั่นไม่ใช่หมายความแค่ว่าเอาคุณไปนั่งสมาธิน่นที่เป็นรูปแบบแต่หมายถึงการที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยธรรมะการใช้ชีวิตอยู่ด้วยธรรมะมีจิตใจที่สูงจิตใจเป็นอริยะความที่จิตใจเป็นอริยานี่แหละมันจะเป็นตัวที่สร้างความแตกต่างระหว่างกับบุรุลชนคนธรรมดา คนที่ยังไหลไปตามอำนาจของตัณหาแตกต่างกันกับคนที่อยู่ในกระแสะแห่งธรรมกระแสะแห่งธรรมเป็นเครื่องทวนกระแสะของตัณหากระแสะแห่งธรรมเป็นกระแสะที่จะพาเราไปสู่นิพพานกระแสะแห่งตัณหา น, นั้นก็จะพาเราไปกลละทางละน่ะมันเหมือนกับสวนทางตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นถ้าเบอกว่าเรามีชีวิตอยู่ด้วยธรรมน่ะมันก็ต้องสวนทางกับกระแสะของตัณหา ถ้าเราจะไปตามกระแสของตัณหาคุณก็ไม่ได้ไปตามหนทางของธรรมะเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินั้นบางทีมันเป็นเรื่องที่ต้องทวนกระแสในทะวนกระแสในที่นี้ก็คือบางทีมันยากนั่นเองนะสำหรับคนที่ออทําได้ยากมันก็จะยากนะคือคนชั่วเนี่ยทำความดีได้ยากนะเพราะฉะนั้นคนชั่วสักคนเดีคนหนึ่งแนะคนที่อาจจะรักษาศีลได้ไม่ไม่ได้เต็มที่ อยู่มาวันหนึ่งฉันคิดว่าฉันจะรักษาศีลฉันคิดว่าฉันจะทําความดีฉันคิดว่าฉันจะมาตามกระแสะแห่งธรรมเขาจะทําได้ยากมากเพราะตอนนั้นเขาถูกถลาถลม่มนะถูกโหมมาอยู่ด้วยกระแสะแห่งแห่งทันหากระแสะแห่งความไม่ดีที่เขาได้เคยทํามาเพราะฉะนั้นสําหรับบางคนทางฝั่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแตนไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมีชีวิตอยู่ได้ธรรมะบางคนก็จะมีความยากความลําบากต่างๆ ในที่นี้พระรูปเจาจึงให้หลักการในการที่เราจะปฏิบัตินะให้ชีวิตของเรานั้นอยู่ในกระแสแห่งธรรมการที่จะมีหลักให้อย่างน้อยคุณไม่ไหลไปตามกระแสแห่งศาสนาแต่คุณต้องมีหลักในการที่จะไว้เป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงไว้เป็นที่เกาะเกี่ยวในความเกาะเกี่ยวที่เราจะไปเกาะได้เน่ยเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงเป็นเกาะนี้ที่พระรูปเาแนะนําให้ใช้ แต่ตัวพรงคเองก็ทำมานัไม่ไหลไปตามกระแสแห่ตันหานัไม่ไหลไปตามกระแสที่ชาวบ้านชาวเมืองหรือใครๆในสมัยนั้นเขาทํากันเขาหลงเริงกันมีเปเช่นมีความสุขในชาญบ้างเป็นความสุขที่ยังมีความกำลัมงมัวเมาพัวพันบ้างอย่างนี้ผู้ช่างเราก็ไม่ไหลไปตามมันเป็นปพิสัตว์อยู่ก็เพราะว่ามีหลักนะัมีเกาะนะัเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงน่นะไม่ใช่ให้ยึดนะ ให้เป็นหลักหลักนั้นก็คือสติของเรานะเราจะต้องมีสติเป็นดั่งเสาเขื่อนเสาหลักในการที่อย่างน้อยอา้าวที่เราจะอาจจะไม่ได้เดินทวนกระแสะไปแต่อย่างน้อยยังอยู่เฉยๆนะไม่ถูกกระแสะพัดพาไปการที่เราอยู่เฉยๆไม่ถูกกระแสะพัดพาไปอันนี้ก็ชื่อว่าทวนกระแสะแล้วนะเพราะว่ากระแสะมันพาไปใช่ไหมแต่เราอยู่เฉยๆนิ่งๆได้โดยที่ไม่ไหลไปตามกระแสะนะั่นชื่อว่าดีแล้ว นะไม่ถูกกระแสตันหาพัดพาไปนะการที่เรามีหลักภาษาไทยเขาใช้คาว่ายึดนะมีหลักยึดนะแต่คําที่ถูกต้องนั้นก็คือมีหลักเป็นที่เกาะมีหลักเป็นที่พึ่งสมมติว่าเรากําลังล่องไปตามกระแสแม่น้ำํำนะถูกกระแสของแม่น้ําอย่างรวดเร็วพัดพาไปในแม่น้ํานี้ก็มีพวกหญ้านะที่งอกเติบโตมาตามริมฝั่งแม่น้ำํำหญ้านั้นมันก็มีใบนะํามาปกคลุมที่ ที่ฝั่งแม่น้ำใช่ไหมแล้วก็มีต้นไม้ที่โตอยู่ริมฝั่งด้วยมันก็ยื่นใบ ย, ยื่นอะไรของมันออกมาปกกลุ่มที่ตัวแม่น้ําเรากําลังถูกกระแสของแม่น้ําพัดมามาอย่างแรงอยู่แต่ถ้าเราไปจับหญ้านั้นหรือต้นไม้ใบไม้ที่มันโค้งน้อมลงม า, าที่ตรงกลางแม่น้ำเนีเน่ยเราจับไปเพื่อที่หวังว่าจะได้เป็นที่ยึดได้ที่พึ่งได้แต่จับไป มันก็ขาดหลุดติดมือมาเพราะว่ากระแสความแรงความเร็วของน้ําพระเจ้ายกตัวอย่างนี้เป็นอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบให้ทราบว่าถ้าเราคิดจะยึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งยึดนะยึดเอาไว้นะว่าฉันจะไม่ไหลไปตามกระแสนาะฉันว่าจะยึดสิ่งนี้นะยึดเอาไว้เป็นที่พึ่งยึดอะไรล่ะเอารูปนะเอารูปปั้นนี้นะเป็นที่พึ่งเอาเป็นที่ยึด รูปปั้นนั้นก็แตกก็ถึงความเสื่อมเสียสูญสลายไปแต่เพราะมันเป็นธาตุดินน้ำฝ่าลมมันก็แตกอยู่ดีอันนั้นก็พึงไม่ได้ก็เหมือนกับต้นไม้ใบไม้ใ บ, บไม้ที่มันโน้มกิ่งลงมาเราจับไว้ยึดเไว้เพื่อที่จะหวังว่าจะไม่ไหลลอยไปตามกระแสข้างหน้าเป็นน้ําตกตกลงไปนี้ตายแน่เลยแต่ว่าใบไม้นั้นก็ขาดเอา้ายึดรูปปั้นนี้ไม่ได้งั้นเอาความคิดนี้แล้วกันเอาความคิดเอาเรื่องการเรียนรู้ตรงนี้ เอาความรู้ตรงนี้มาเป็นที่ยึดสัญญาหรือเวทนาหรือสังขารเนี่ยเอามาเป็นที่ยึดนะยึดไว้ว่าฉันจะได้ไม่ไหลไปตามกระแสอย่างน้อ น, นชีวิตฉันจะได้ดีขึ้นนะมีความสุขความเจริญคุณจับสิ่งนั้นยึดสิ่งนั้นแลนะ้สิ่งนั้นก็แตกขาดทำลายมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเหมือนกันหรือว่าคุณคิดว่าจะเอาใจเอาจิตของเรานี้เป็นที่พึ่งที่วิญญาณเอาวิญญาณเป็นที่ยึดที่เกาะแล้วมัน มันไม่ได้เพราะไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดถ้าคุณจับช่วยอาไว้นยึดไว้ว่าเออฉันจะได้ไม่ไหลไปตามกระแสงตันหาฉันจะได้พึ่งได้สิ่งเหล่านั้นก็แตกทําลายไปต่อหน้าต่อตาอันนี้เกิดขึ้นได้ทั้งหมดเป็นธรรมดาที่ขันทั้ง5้าได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะถึงความเปลี่ยนแปลงแตกดับแตกทํำลายไปต่อหน้าต่อตาเรา ไม่ใช่เฉพาะที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันไอ้ที่ผ่านมาแล้วแตกทําลายไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นไปแล้วก็มีมาไอ้ที่มันยังมาไม่ถึงที่จะมาอยู่ในอนาคตที่มันจะเปลี่ยนแปลงแตกทําลายเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นมันก็จะมีมาถ้าเราหยิบฉวยสิ่งนั้นจับไว้ยึดไว้เราจะถึงความชิบหายปรึกาว่ า, างี้แทนที่เราจะไปยึดรูปเวธนาสัญญาสังการวิญญาณเป็นที่พึ่งนเรายึดไม่ได้เลย สิ่งที่เราจะใช้เป็นที่พึ่งจะถือเอาเป็นที่พึ่งไดนะ้พอจะใช้เป็นที่พึ่งในการที่จะละทวนกระแสนะละตันหาตวนกระแสตันหาไดนะ้นั่นก็คือเรื่องของธรรมะนะใช้ธรรมะเป็นที่พึ่งได้เอ๊ะรับธรรมะนี้ไม่ใช่เป็นหนึ่งในกันทั้งห้าหรอรูปเป็นนาสัญญาสังขารวิญญาณในะอย่างบางคนก็จะบอกว่าสติก็เป็นส่วนหนึ่งของสังขารนะความอย่างเช่นอนาปานาสติ ก็เป็นสัญญาอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นสัญญาน่ะสิหรือว่าอสุภะสัญญาอธินวะสัญญามรณะสัญญาพวกนี้พระเจ้าให้เรียนมันก็เป็นสัญญาไงสิแสดงว่าแม้แต่ธรรมะที่พระเจ้าสอนให้เราประพฤติปฏิบัติเนี่ยสิ่งนั้นก็ยึดไม่ได้ถูกต้องท่านฟังแม้ธรรมะมไม่มีอะไรในโลกเอาว่างั้นเถอะ นะไม่ว่าจะเป็นพระพุทธประตรรมพระสงค์ที่คุณจะยึดแล้วที่ถ้าความยึดถือเข้าไปถูกต้องสิ่งนั้นแล้วคุณจะปลอดภัยไม่มีเลยไม่มีสิ่งไหนในโลกนี้ที่เมื่อเรายึดถือแล้วจะเป็นผู้หาโทษไม่ได้แม้แต่ธรรมะของพระุทธเจ้าถ้าคุณยึดถือไว้เอาพระุทเจ้ายกตัวอย่างอย่างนี้คนอยู่ฝั่งนี้นะเห็นฝั่งนี้มีอันตรายมีทั้งงูพิษมีทั้งโจรขโมยมีทั้งฆาตรกร นะมีทั้งสิ่งอะไรที่จะมาทำอันตรายให้เราเขาก็เอายา่าเอาไม้รวบรวมมานะทำเป็นแพรแล้วก็พายไปพายไปด้วยมือและเท้านะจนถึงฝั่งนู้นได้ด้วยสวัสดีพอถึงฝั่งนูน้นโดยสวัสดีแล้วเขาก็จะแบกอันนี้ขึ้นไปนะรักกำหนดลุ่มหลงสิ่งนี้นะเขาก็ไม่สามารถออกจากฝั่งได้สักที้นะก็ไม่ถึงไปถึงที่กเกษมที่ปลอดภัยได้สักทีมันไม่ได้พระเจ้ายกตัวอย่างนี้เพื่อที่จะบอกว่า พวงแพรนั้นก็คือธรรมะที่บุคคาประกาศไว้ดีแล้วฝั่งนี้นะพูดถึงมัตตาสงสารทีท่ียังมีความทุกข์ที่ยังมีต้องขึ้นต้องลงอยู่ฝั่งนูน้นคือชื่อของนิพพานท่านฟังหรือใครสักคนใดคนหนึ่งก็ตามนะจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจะเป็นพระสงฆ์องค์ไหนก็ตามที่ถ้ายังยึดธรรมะอยู่คุณไปสู่ฝั่งนู้นไม่ได้ไม่ได้ไม่มีทางธรรมะพระพุทธหรือพระสงฆ์ การปฏิบัติตัวผู้ที่ตรัสรู้หรือแม้แต่ธรรมะที่ทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตรัสรู้เราจะเข้าไปยึดถือสิ่งนั้นโดยความเป็นตัวเราของเราโดยความเป็นตัวตนของตนไม่ได้เพราะว่าธรรมะที่เราปฏิพิติปฏิบัติเนี่ยเพื่อที่จะลอกไอความเป็นตัวเราของเราอยู่เสมอถ้าเผื่อว่าเรายึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราของเรามันก็ไม่สามารถที่จะลอกกิเลสได้ เพราะฉะนั้นอย่างสัญญาที่พระเจ้าสอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องมรณสัญญาอธินวมัสัญญาอสุภะสัญญาพวกเนี้ยสอนเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าเราควรจะทรงจิตของเราไว้อย่างไรเพื่อให้คลายความยึดถือคลายความยึดมั่นกิริยาตรงนี้าาทั้งฝังที่ที่มีความแตกต่างกันนั่นะคือเรื่องของความยึดถือพระเจ้าใช้คาว่าอุปปาทานซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่เรื่องของการใช้เป็นที่พึ่งการถือเป็นที่พึ่งนั้นใช้คําว่าสารณะสารณะคือการถือเป็นที่พึ่งการใช้เป็นที่พึ่งใช้เป็นที่พึ่งแล้วคือใช้เฉยๆนะไม่ได้ยึดเอาเป็นที่พึ่งถ้ายึดนั่นคือเอาเป็นของเราเอาเป็นตัวเราของเราเรามีในสิ่งนั้นสิ่งนั้นมีในเราสิ่งนั้นเป็นของเราเราเป็นสิ่งนั้นถ้าคุณมีความรู้สึกว่านี้ธรรมะของเรานี้ธรรมะของนี่พระเจ้าของเรานี้ตัวตนของเรา คุ ณ, คณปฏิบัติผิดคุณทํายังไม่ถูกสิ่งที่ถูกต้องก็คือว่าใช้เป็นที่พึ่งเพื่อที่จะละอิเลสถอนตันหาหรือถอนอวิชชาธรรมะของประชาท่านผู้งเป็นไปเพื่อรื้อถอนอวิชชาคุณรากเหง้าของมันขึ้นมาเพื่อที่จะถอนออกเฮ้นี่นนคือข้อที่ต้องตระวังแต่นะเพราะว่าแม้สิ่งนั้นก็เป็นที่ให้เรายึดถือได้พระเจ้าจึงแยกกันออกในะระหว่างเจ้าความทุกข์คือขันธ์ทั้ง5้า กับเจ้ามรคคือการดําเนินให้ถึงความดับตัญหาต้องแยกกันออกให้ชัดเจนเพราะอะไรเพราะทั้งสองอย่างมีสภาพเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นมรคไม่ว่าจะเป็นทุกขคือกันตั้งหาแล้วก็มีสภาพเดียวกันก็คือมันเปลี่ยนแปลงไปได้แตกทําลายได้ถึงความไปเป็นอย่างอื่นได้มีความเกิดขึ้นมีความทําลายไปในะเมื่อตั้งอยู่มีสภาวะอย่างอื่นปรากฏแต่ความแตกต่าง ก, กันระหว่างเจ้าทุกคือกันตั้ง5 กับเจ้ามรคนั่นคืออริยมรคมีองแปดเนี่ยที่ทั้งสอย่างมีคุณสมบัติเหมือนเหมือนกันเลยคือมันเปลี่ยนแปลงแตกทำลายไปได้มันแตกต่างกันตรงที่ว่าไอ้เจ้าความทุกเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปเพื่อหรือเลิกเพิก <coc> ถอนตัณหาไม่ได้เป็นไปเพื่อหรือเลิกเพิกถอนตัณหาแต่มรคนั่นคืออริยมรคมีองแปดเนี่ยใช่อยู่สภาพของมันมีความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้าเราปฏิบัติตามนี้เดินตามนี้ใช่อยู่ตัวมันเปลี่ยนแปลงไปอยู่ แต่มันก็จะเป็นไปเพื่อที่จะทําให้มีการรื้อเลิกเพิกถอนตัณหาขุดถอนรากเหง้าของอภิชาได้มันแตกต่างกันตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติธรรมบางทีมันยากตรงที่ว่าเราดันไปยึดถือธรรมะนั้นเราดันไปเพิ่มพูนกิเลสจากธรรมะที่เราเรียนจากธรรมะที่เรารู้มันก็เริ่มเป็นประหยัดที่เป็นงูพิษละแต่ที่จะได้ประโยชน์จากธรรมะนั้นเป็นการรื้อเลิกเพิกถอนตัณหาเป็นการรื้อถอนอภิชา กลับเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความยึดถือกับอีกยึดถือด้วยความเป็นตัวตนต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เถียงคอเป็นเอ็นนายใช้ธรรมะในต่างดีไม่ถูกก็มีเราก็เคยเห็นกันอยู่ไม่มีสิ่งใดเลยในโลกนี้ทำฝังไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เลยที่มีค่าเพียงพอที่เราจะยึดถือเอาไว้ถ้าเรายึดถือเอาไว้เราจะเป็นผู้ที่หาโทษไม่ได้ไม่มีเลยไม่มีแม้สิ่งใดสิ่งหนึ่งพระพุทธรูปคุณยึดถือได้ไหมยึดถือได้แม้แต่เล็บพระาธาตุของพระเจ้า พระเจ้าประณีตผ่านไปแล้วเหลือแต่ธาตุเอาไว้คุณไปยึดถือสิ่งนั้นด้วยความเป็นตัวตนวันนี้ของฉันนั่นของเรานั่นเป็นตัวเราเรามีในสิ่งนั้นคุณก็จะถึงความชิบหายเหมือนกับคนที่ถูกลอยอาตามกระแสมน่น้ําที่เชี่ยวนําไปจับหญ้าหรือไม้กิ่ง ไ, ไม้ที่มันโน้มลงมาเขาก็ไม่สามารถจะยึดถือสิ่งนั้นเป็นที่พึงได้แต่การที่เราจะหลุดออกจากกระแสนทวนกระแสได้คุณต้องพยายามกับด้วยมือและเท้า พยายามกับด้วยมือและเท้านั่นก็คือการเชื่วยองการปรรลความเปลี่ยนคือใช้กําลังของเราใช้การทําจริงของเราใช้กําลังใจของเราคุณจะเอากำลังใจนั้นมาจากไหนคุณจะอาความรู้นี่มาจากไหนนั่นคือธรรมะนี่แหละท่านฟังนั่นคือมัคที่เราเรียนอยู่รู้อยู่เรารู้อยู่ว่าสิ่งที่เรากําลังปฏิบัติเนี่ยมันไม่เที่ยงใช่มันถึงความเปลี่ยนแปลงไปนะความรู้ความจําบางทีมันก็เสื่อมไปนะจําไม่ได้คิดไม่ออกพูดไม่เป็น ถ้าเราทําเราปฏิบัติให้มันถูกนะการทําการปฏิบัติให้มันถูกนั่นคือสาธารณะการทําการปฏิบัติให้มันถูกนั้นคือกิเลสมันลดลงไปนะความแตกต่างระหว่างอุ ป, ปาทานกับความยึดถือกับความแตกต่างระหว่างเจ้าสารณะคือการใช้เป็นที่พึ่งเนี่ยทั้ง2 อ, อย่างสารณะก็ไม่เทียงอุปทานก็ไม่เทียงมันต่างกันตรงนี้ตรงที่ว่าอุปทานถ้าคุณมีกิเลสจะมาขึ้น ต้นหาเพิ่มขึ้นอุปทานก็นเพิ่มขึ้นแต่ถ้าคุณใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นสา ร, ะ เ, เเสาระเป็นที่พึ่งเป็นสาระเป็นที่พึ่งกิเลสมันจะลดลงไปสาระความหมายอีกอย่างหนึ่งนะท่านผู้ฟังคือการที่ราคะโทสะโมหะลดลงไปใครสกรคักคนใดคนหนึ่งเห็นรูปใดรูปหนึ่งสวยงามก็ตามไม่สวยงามก็ตามแล้วคุณเห็นธรรมะในนั้นคุณใช้ตรงนั้นเป็นที่พึ่งได้เพราะว่ากิเลสคุณลดลงไป เราเห็นรูป ส, สวยๆอย่างเนี้ยจะเป็นผู้หญิงก็แต่ที่สวยงามมากจะเป็นผู้ชายก็แต่ที่หล่อล่ํามากเห็นแล้วถ้าคุณมีความกำหนัดโมเมาลุ่มหลงผัวพันในสิ่งนั้นอ่านั่นคือคุณยึดคุณลุ่มหลงตัณหาอุปทานมากขึ้นแต่ถ้าเราเห็นเราเห็นตามจริงว่าโอ้แม้รูปนี้ที่สวยอยู่อย่างนี้หล่ออยู่อย่างนี้งามน่าดูอย่างนี้ถึงคราวที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันก็จะแก่ แต่ทำลายแม้ตัวเราเองก็เป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพนจากความเป็นอย่างนี้ไปได้นี่ก็เรียกว่าเห็นธรรมะใช้ธรรมะเป็นที่พึ่งพึ่งอย่างนี้แล้วกิเลสมันลดนะพึ่งอย่างนี้แล้วตัณหามันหลุดออกลอกออกพึ่งอย่างนี้แล้วคุณถอนอภิชาได้อย่างนี้เรียกว่าใช้เป็นที่พึ่งจริงๆแล้ว ค, คนสองคนเห็นสิ่งเดียวกันเห็นสิ่งเดียวกันแต่คนหนึ่งกิเลสงอกอีกคนหนึ่งตัณหารลดมันเป็นไปได้ท่านผู คนอยู่ในที่เดียวกันนะ่ะปฏิบัติคล้ายๆกันนะแต่ว่าคนหนึ่งกิเลสกับเพิ่มคนหนึ่งกิเลสกับลดเข้าเจ้าจึงบอกในที่นี้ว่าบางทีการมีชีวิตอยู่โดยธรรมไม่ใช่ของง่ายนต่บางทีมันต้องใช้ความแตกต่างเพียงเล็กน้อยในการที่เราจะเห็นความจริงว่าเฮ้ยจริงๆมันคืออะไรกันแน่เรากําลังยึดอยู่หรือเปล่าหรือเรากําลังหลงอยู่หรือไม่หรือเราเห็นจริงกันแน่เรารู้ได้ท่ามผฟัง ตรวจสอบได้ตรงนี้ตรงที่ว่าถ้าเรามีความลุ่มหลงกำหนัดเพลิดเพลินมัวเมาถ้าเรามีนะถ้าเรามีเราลองพิจารณาดูถ้าเรามีถ้าสิ่งนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่เราหวังจากที่เราเห็นเห็นมาอยู่ตอนนี้ถ้าคุณจีด๊ดคุณมีความไม่สบายใจคุณมีความอึดอัดขับข้องใจนั่นแสดงว่าคุณยึดและแสดงว่าคุณยึดแล้วตรวจสอบได้ทันทีแต่ถ้าคุณใช้เป็นที่พึ่งเเราเห็นสิ่งนั้นด้วยปัญญา ตามจริงนะเรียกว่ามีตนเป็นที่พึ่งมีทรรเป็นที่พึ่งถ้าสิ่งนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่เราหวังมีความเปลี่ยนแปลงเป็นดีก็ตามเป็นชั่วก็ตามแล้วเราไม่ได้มีความจี๊ดไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากสิ่งนั้นแสดงว่าคุณใช้เป็นที่พึ่งจริงๆคุณเห็นด้วยปัญญาชัดเจนเราตรวจสอบได้อย่างนี้เพี้งแต่เราอยู่กลางกระแสของตัณหาถูกกระแสของตัณหากําลังพัดพาไปอยู่ เราจะทวนกระแสคุณต้องไหวทวนกระแสเราจะไาวทวนกระแสนัเราจะไปจับกิ่งไม้จับใบไม้ที่มันโน้มกิ่งลงมาไม่ได้ถ้ามันขาดแตกหักทำลายไปเราก็จะซวยเลยเรายิ่งจะเสียใจด้วยซ้ํากําลังก็ตกเอาเราสู้สู้ด้วยกองกําลังท่านผฟังนั่นเรากําลังมาสู้กําลังอยู่ที่ไหนอะไม่เห็นมีกองทัพกองกําลังอะไรเลยมีสิเวลาทหารเขาจะไปออกรบนี่ เขต้องมีหน่วยพลาที่การนั่นคือส่งกาลังสํารองใช่ไหมกาลังเขาเรียกว่าอาหารยุโทโธปกรณ์พวกนี้นหน่วยเซนาต์ที่กา ร, การบหน่วยแนวหน้าออกรบทหารราบทหารปืนใหญ่มีอาวุธยุโทโธปกรณ์พวกที่ดนตรีก็มีใช้ตรีตรีกลองสําหรับลั่นกรองรบนหน่วยต่อสู้อากาศยานโอยเยอะแ ย, ยะไปหมดหน่วยต่างๆเหล่านี้จะทําให้กองทัพของเรามีความเกรียงไกร กองทัพของเราสามารถสู้ได้แเราสู้ด้วยกกองกำลังตรงนี้กองกําลังตรงนี้มาจากไหนกองกําลังตรงนี้พระเจาเปรี๋เหมือนกับความเปลี่ยนนั่นเองเรามีทั้ง4ี่กองในใจของเราเนี่ยมีอยู่คือกองที่เราจะละเจ้าอกุศลที่มันมีอยู่ในใจนี่คือกองที่1นึกองที่2ที่เราจะป้องกันไม่ให้อกุศลใหม่มันเข้ามานีคือกองที่2องกองที่3คือกองที่เราจะสร้างสมสิ่งที่เป็นกุศลให้มันมากขึ้น แล้วกองที่4ี่คือสิ่งตีย์ที่เป็นกุศลที่ยังไม่มีเอามาใส่เข้าไว้นี่คือความเพียรสี่อย่างเอาละกองนี้มันอยู่ตรงไหนบางทีในจิตเรามีแต่ความท้อแท้ท้อถอยหมดกําลังใจความเพียรนี้ท่านฟังมันอยู่ในใจของเรามันอยู่สองจุดด้วยกัน น, นจุดหนึ่งคืออยู่ตรงที่ศรัทธาถ้าเราเห็นศรัทธาอยู่ที่ไหนกองกําลังเราอยู่ตรงนั้นด้วยเหมือนกันศรัทธาในการตรัสรุป ข, ของพระพุทธเจ้านี่คือจุดที่1 ที่คุณจะหากองกําลัง4ี่กองของคุณได้จุดที่2ที่คุณจะหาได้นั้นคือธรรมวิจยะธรรมวิจยะสัมโพชงใครก็ตามที่มีธรรมวิจยะสัมโพชงนั้นชื่อว่าคุณมีวิริยะสัมโพชงด้วยเพราะนั้นการที่เราใคร่ครวญธรรมพิจารณาให้เห็นความที่มันไม่เที่ยงบ้างพิจารณาให้เห็นความจริงบ้างใคร่ครวนปทเพียรช น, นะพุทธพจน์ที่เป็นคําสอนของบุรุษชาบ้างพวกนี้เป็นธรรมวิจัยทั้งสิน้น แตบุงคลที่เจริญมีการใคร่ครวญธรรมะนั่นชื่อว่าเป็นผู้ที่เจริญวิริยะสัมโพชงด้วยเหมือนกันกองกําลังเราก็อยู่ตรงนั้นแต่เราใคร่ครวนไปเราเจอกองกําลังเราเราใช้ในการตวนกระแสะใช้เป็นกองทัพใช้เป็นกองกําลังเป็นเครื่องมือที่เราจะทวนกระแสะของตัาหาที่มันโหมทลาซัดพัดเรานะให้ไหลไปตามไม่ว่าเราจะดูข่าวหนังสือพิมพ์ดูข่าวทีวี มาข้อมูลมาทางโซเชียลเน็ตเวิร์กพวกสังคมเครือข่ายเฟซบุ o กทวิตเตอร์อะไรต่างๆแล้วเรื่องไม่ดีก็มีมากเรื่องดีก็มีบ้างเราถูกพัดอยู่เราถูกไหลอยู่เราถูกซัดอยู่เราถูกทลาถล่มอยู่ด้วยสิ่งที่มันเป็นอกุศลเราต้องป้องกันทันทีเราต้องทวนกระแสทันทีณนะทุกขณะจิตจำฟังณนะเราประมาทไม่ได้เลยณนะเราอยู่ในกระแสแห่งตันหามันพัดเราอยู่ทุกวินาทีจำฟัง ตัณหาไม่เคยหยุดนิ่งมันอยู่ทุกขณะจิตณนะจิตใดที่ยังมีการเกิดการก้าวลงอยู่ในอารมณ์ต่างๆนั่นคือจิตที่มีตัณหาขณะตัณหาบางทีมันจะหวะมันดับไปบ้างมันก็เกิดใหม่แตนะ่เพราะยังมีรากคืออวิชชาของมันแลนะเราจะเห็นตรงนี้เราจะพิจารณาเห็นตรงนี้ได้ขณนะคุณหากองกําลังคุณขณนะกองกําลังคุณอยู่ที่ตรงจุดที่คุณมีการวิจัยธรรมะธรรมวิจยะหรือตรงจุดที่คุณมีศรัทธา ตรงนี้คุณจะมีกองกําลังมีความเพียนเกิดขึ้นได้เวลาที่เราหาเราดูเราจะเห็นได้แต่คุณต้องมีสติสติเป็นที่ตั้งที่ระลึกถึงไม่ให้จิตของเราสันา่นริกระรัวไปตามกระแสะที่มันพัดมาคนที่เขาล่องไปตามกระแสะน้ำเพราะถูกพัดเนี่ยตกน้ำอย่างเงี้ยน้ําท่วมมาแรงๆซีนามิพัดมาเนี่ยคุณกําลังไหลไปตามกระแสะน้ําคุณยิ่งต้องเปิดตาดูเลยเพราะตรงไหนเราจะ จับได้ตรงไหนเราจะเก um าะได้ตรงไหนเราจะเอาเป็นเครื่องเกาะที um ่จะอย่างน้อยให้เราขึ้นจากผิวน้ํานะมองดูว่าฝั่งอยู่ตรงไหนน่ะเราต้องเปิดตาดูการเปิดตาดูตรงนี้น่ะคือการเห็นนั่นเองนะการเปิดตาดูตรงนี้เหมือนเต่าที่เขาหดห่วยในกระดองก็ตามเนี่ยเขาก็ยังต้องเปิดตาดูน่ะดูว่าสิ่งที่เป็นอันตรายภายนอกมันยังอยู่ไหมนะเราจะยื่นแขนยื่นขาออกไปได้ไหมน่ะเพื่อที่จะป้องกันตัวเองนะจากอันตรายต่างๆข้างน เราต้องต้องดูว่ามันจะมีของอะไรที่มันจะมาทิ่มแทงให้กจิตใจเราเกิดความเจ็บจำน้ําใจหรือไม่เราดูตรงนี้ใช้ตาเรานี่แหละดูใช้หูเรานี่แหละฟังใช้จมูกเรานี่แหละดมใช้ลิ้นเรานี่แหละสัมผัสกายเราก็รู้อยู่ให้เห็นธรรมะทําฟังทุกครั้งที่เรามีผัสสะเกิดขึ้นนั่นเป็นจังหวะที่เราจะปฏิบัติทมได้นั่นเป็นจังหวะที่เราจะเข้าสู่กองกําลังสีกองของเราได้นั่นเป็นจังหวะที่เราจะรู้ถึง ความศรัทธาที่เรามีในคําสอนของพระเจ้าเห็นถึงการวิจัยธรรมะธรรมะวิทยาที่มันเกิดขึ้นตามภาษาหนึ่นงนิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลตรงฝั่งอยู่ที่ภาษะมีภาษะเมื่อไหร่นั่นเป็นแดนเกิดได้เป็นแดนเกิดของความดับนี่แหละมันดับลงเมื่อไหร่ไอ้ความดับมันก็เกิดขึ้นทันทีความดับที่เกิดขึ้นนั่นแหละเป็นเหมือนเกาะเกาะที่เราให้เราพึ่งได้ให้เราเป็นเกาะ นะเป็นที่เราจะเกาะนี่คือกิริยาที่เราจะไปเกาะได้แต่บางทีกลางกระแสน้ํามันมีเกาะโผล่ขึ้นมาเป็นคํานามเราก็ไปเกาะได้นะเป็นทั้งคํานามเป็นทั้งกิริยาที่เราจะไปเกาะได้แต่เกาะนี้ของเราไหมไม่ใช่เพราะเราจะต้องออกจากกระแสน้ํำน่ะเราจะต้องไปสู่ฝั่งสมมตมีเกาะโผล่ขึ้นกลางน้ําเราเกาะอยู่ตรงนี้แล้วเกาะแล้วเราก็ไม่ไปไหนเลยยึดว่าเกาะนี้ของฉันฉันต้องอยู่กับเกาะนี้คุณก็ออกจากปัหาไม่ได้ คุณก็ออกจากกระแสของตนาไม่ได้คนประเภทนี้ก็ยังดีนะยังถือว่ามีเกาะมีที่พึ่งอยู่แต่ด้านลุ่มหลงในเกาะนั้นนะก็ออกจากกระแสตหาไม่ได้อยู่ดีก็ถือว่ายังไม่ฉลาดเต็มที่แต่ว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากระโดดจากเกาะนี้นะหรือเราหาที่เกาะพอที่เราจะไปสู่ฝั่งได้คุณก็ต้องปล่อยเกาะนี้อยู่ดีเราเกาะไว้ไม่ได้เราไม่ได้ยึดเราเกาะเป็นที่พึ่งนั่นคือความหมายของคําว่าสารณาธรรมะ ความหมายของความที่ว่าเราจะใช้เป็นที่พึ่งในการที่เราจะเกาะเป็นที่พึ่งเราอย่ไปยึดเลยยึดเราก็ยังอยู่ในกระแสอันตราเราก็จะออกจากกระแสน้ำไม่ได้แตนะเราปฏิบัติธรรมเรามีชีวิตอยู่ด้วยธรรมเราใช้ธรรมะในชีวิตประจําวันในการรักษาศีลตรงนั้นเป็นเกาะของคุณนะเมื่อไหร่ก็ตามที่อกุศลดับไปกุศลเกิดขึ้นนั่งเป็นเกาะแล้วเป็นเกาะที่คุณจะใช้เกาะได้ไม่ให้ไหลไปตามกระแสขอันตรา เมื่อไรก็ตามที่จิตคุณสงบลงไปมีสมาธิเกิดขึ้นนั่นเป็นเกาะได้เป็นเกาะที่คุณจะใช้เกาะไม่ให้ไหลไปตามความฟาุ้งซ่านความคิดแสสา ย, สายหาเรื่องาราวความงงเหงาเหานอนเมื่อไรก็ตามที่คุณมีการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงนั่นเป็นเกาะเกิดขึ้นทันทีกลางกระแสน้ํานั่นแหละเกาะให้เราเกาะได้เพื่อที่เราจะได้ไม่ไหลไปตามสิ่งที่มันมายั่วยวนใจสิ่งที่มันจะทำให้เรามีความกําหนัดดุ่มหลงเพลิดเพลินหรือสิ่งที่จะมาทําให้เรามีความโกรธ กูมขันเรามีเกาะที่เราจะไม่ให้ไหลไปตามกระแสต่างๆเหล่านั้นนั่นคือศีลสมาธิปัญญาแน่นอนฟังศีลสมาธิปัญญาเป็นอะไรเป็นมักมักเที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสินั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขน่าจะตอบกันได้แล้วมันต้องเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นควรแล้วหรือหนอที่เราจะมายึดถือว่านั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่กวนไม่ควรแล้วรรทํายังไงปล่อยมันซะปล่อยมันซะแม้ศีลสมาธิปัญญาก็ต้องเป็นของที่ต้องหวงังเป็นเกาะได้เฉยแต่เป็นเกาะพายที่เราจะไปเข้าฝั่งได้พอถึงฝั่งแล้วเราก็หวางนะปล่อยเกาะนั้นซะคันคือความทุกข์ไม่เหมือนกับมรรคมันต่างกันมากทีเดียวต่างคนละขั้วกันเลยแต่มีธรรมชาติเหมือนกันให้ประจายความที่มันมีความแตกต่างกันอยู่พอเราเข้าใจแล้ว การมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมของเราจะไม่ใช่เรื่องยากเลยเราจะเห็นธรรมะในทุกๆจุดนะคุณจะใช้ชีวิตอยู่เป็นคารวาคุณจะใช้ชีวิตอยู่เป็นรูปแบบของความเป็นนักบวชไม่ว่าจะกลนผมไม่กลนผมห่ ม, มขา้าห่มเลืองก็ตามชีวิตคุณจะอยู่ด้วยความสบายชีวิตคุณจะอยู่ด้วยธรรมะนะจะมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมนั่นเองแต่วันนี้ข้าพเจ้าพระพุทบุญข อ, ขอลาไปก่อนท่านผู้ฟังมีคาถามข้อเสนอนะส่งกันมา เลขที่1หมู่8ตำบลนอนอ์ไฮโศกอำเภอน้องหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130นั่นคือส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ใช้คอมพิวเตอร์เป็นก็ไปที่ p, p u r e t h a m a c o m p u r e d h a m m a จริบ